ทีนี้ในทายนั้นก็มีนาคราชชื่อว่าอหาิชัตตะห่วงแหนกองทรายใหญ่นั้นถ้าสำนวนคำพีเราใช้คำว่านาคสำนวนการ์ตูนเขาใช้คำว่ามังกรมังกรก็ไปอาศัยอยู่ในนั้นชาวบ้านอังคะมักระและแคว้นกุรุก็นําเครื่องสักการะเป็นอันมากไปถวายทานแก่พวกนักบวชเหล่านั้นทุกๆเดือนเขาบอกว่าเหตุแห่งราบสักการะนั้นก็คือตอนแรกก่อนอาศัยความรู้มีความรู้แล้วก็ได้บริวาร พอมีบริวารเสรจก็จะได้ลาบตรงนี้ก็ลักษณะเดียวกันพอมีบริวารมากๆโอ้โหลูกสิทธ์เป็นหมื่นๆเนี่ยแสดงว่าเจ๋งมากจริงๆเลยคนก็แห่นับถือกันไปเพราะเรียกว่าบริวารใหญ่โตคนก็นับถือเยอะนะลาบสการะก็เกิดขึ้นเยอะแยะทีนี้ก็มีประเพณีทําบุญทุกๆเดือนทําบุญใหญ่ทุกๆเดือนเลยครั้งนั้นอักขิทัศน์ก็ได้ให้โอวาดแก่ชนเหล่านั้นพวกชาวบ้านชาวเมืองทั้งสามแคว้นเนี่ยที่ไปนับถือก็ให้โอวาดว่าพวกท่าน จงถึงภูเขาเป็นสารณะนะเอานับถือภูเขานะเป็นสารณะจงถึงป่าเป็นสารณะจงถึงอารามนะอารามก็คือพวกวัดพวกสวนเนี่ยเป็นสารณะจงถึงต้นไม้เป็นสารณะพวกท่านจักพ้นจากทุกทั้งสิ้นด้วยอาการอย่างนี้นะเพราะว่าสมัยนั้นก็แล้วแต่อาจารย์จะให้นับถืออะไรก่อนนับถือกันไปหมดอะ่ะ คนอินเดียนี่นับถือหมดนะขนาดก็ให้นับถือสีวันลึงยังนับถือเลยคิดดูมันจะขนาดนั้นเลยนะอันคนที่แบบเข้าถึงพระธรรมพระสงฆ์หรือว่าถึงพระพุทธเจ้าจริงๆเป็นสารณะเนี่ยยากอันส่วนเหล่านี้ก็เหมือนกันผู้ที่ไม่ได้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะ ก, ก็สอนให้ถึงสิ่งอื่นเป็นสารณะไปต้นไม้ใบหญ้าก็ยังให้เอาถือเป็นสารณะถ้าที่ประเทศอินเดียนะเขามีพระเจ้ามากมายนะโยมอย่าไปคิดว่า พระเจ้ามีอย่างเดียวนะบางรัที่นับถือช้างเป็นพระเจ้าบางรัที่ก็นับถือจระเข้เป็นพระเจ้าบางคนก็นับถืองูเป็นพระเจ้าเป็นตัวตั้งศาสนาเนี่ยนับถือไม่เหมือนกันทั้งอย่างศาสนาในโลกนี่ยทิฐิเกิดในโลกนี่มากมายมหาศาลที่แอฟริกาเนีไอ้พวกอินเดียแดงอ่ะหรือที่อเมริกาที่อเมริกาพวกอินเดียแดงพวกอะไรต่างๆเ่าเานี่ย อ, อู้นับถืออะไรไม่รู้วิจิตพิสดารกันเป็นขนาดนั้นเลยนะ ถ้ยิ่งอ่านอ่านหนังสือประเภทที่ท่องโลกกว้างหน่อยจะเห็นหูลัทธิความเชื่อถือมีมากมายมหาศาลและก็ลัทธิเหล่านั้นเราก็มองไม่เห็นให้มันเป็นสาระยังไงนะเขาบอกบางคนก็บอกว่าไม่เชื่ออย่าดูหมิ่นก็ว่างั้นทีนี้หลังจากนั้นมาฝ่ายพระโพธิสัตว์ของเราเสด็จออกมหาพิเนศกรมคือพระโพธิสัตว์ตอนเป็นเจ้าชายเศรษฐะออกบวชเขาเรียกว่าออกมหาพิเนศกรมและก็ส่งบรรลุ พระสัมมาสัมโพธิแล้ว น, นะบรรลุสัมมาสัมโพธิก็คือบรรลุอรหัตผลอันสูงสุดอรหัตผลก็เกิดจากการรู้อริยสัจนะพอบรรลุอย่างนี้แล้วสมัยนั้นพระองค์ก็ทรงอาศัยกรุงสาวัตถีเล่าพุทธประวัติรวบยอดสองบรรทัดถึงเมืองสาวัตถีเลยแล้วพระองค์ก็ประทับอยู่ที่นายวัดเชตวันในเวลาจวนรุง่งทรงตรวจดูสัตว์โลก ทรงเห็นอคิตัดพรามพร้อมด้วยอันเตวาสิกผู้เข้าไปในข่ายคือพยานของพระองค์แล้วทรงทราบว่าชนเหล่านี้ทั้งหมดเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยแห่งพระอรหันต์องค์นี้ตรวจเช็คดูเลยว่าโ อ, โ อ, โอ้พวกนี้เนี่ยมีบุญนะเขาบอกว่าผู้ที่มีบุญสั่งสมมาเยอะๆนะมีอุปนิสัยที่จะได้บรรลุธรรมเหมือนกับแสงสว่างที่ถูกขังเอาไว้ในหม้อถูกปิดเอาไว้ไม่มีใครรู้หรอกแต่พทธเจ้านี้อาศัยพระองค์มีสัพพัญยุตยาน ตรวจดูพวกเหล่านี้มีบุญเยอะเพราะพระองค์ก็เลยจะไปสงเคราะห์ตกในตอนเย็นพระ อ, องค์ก็ตรัสกับพระมหาโมคคลานะเทระว่าโมคคลานะเธอเห็นอคิทัตผู้ยังมหาชนให้เล่นไปโดยทางมิใช่ท่าไหมคือมองเห็นว่าอคิทัตเนี่ยที่สอนให้นับถือาศาสนาอื่นนับถือสิ่งที่ไม่เป็นสาระเนี่ยซึ่งมันผิดท่าเห็นไหมบอกเธอจงไปจงให้เอโอวาทแก่มหาชนเหล่านั้น โมคลานะก็กล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญชนเหล่านั้นเป็นอันมากข้าพระองค์ผู้เดียวพึ่งข่มขีไม่ได้โขนาดมีฤทธิ์ขนาดอหูคนเป็นหมื่นน่ยจะไปทํำยังไงเนี่ยก็ไปเรื่อไข่เขาได้ยังไงอย่างั้นถ้าแม้พระองค์จักเสด็จมาซ้ายชนเหล่านั้นจักเป็นอันข่มขีได้เออถ้าพระองค์ไปด้วยก็สําเร็จอย่างนั้นภาษาสดาก็ตรัสว่าโมคลานะแม้เราก็จะไปเธอจงไปล่วงหน้าก่อน พระเถระก็กําลังเดินเที่ยวไปก็เลยคิดว่าระหว่างทางท่านก็คิดว่าเอชนเหล่านั้นเนี่ยทั้งมีกำลังทั้งมากทั้งหมื่นค น, นทําไงดีเนาะถ้าเราจะพูดอะไรอะไรในที่ประชุมของชนทั้งปวงไซชนทั้งหมดก็พึงลุกขึ้นโดยความเป็นพวกพวกกันถ้าเข้าไปถึงกล่าวปั๊บเนี่ยโหมันแตกกันเสียงเหมือนพึ่งแตกเลยนะมันคุยกันไม่รู้เรื่องแน่นอนเพราะะฉนนั้ท่านก็เลยยังฝนมีเม็ดหยาบให้ตกด้วยอนุภาคของตนนะเข้า อาโปกสินปั๊บทำให้ฝนตกเพบหนี้เข้ากุดกันเกลี้ยงชนเหล่านั้นเมื่อฝนมีเม็ดหยาดตกอยู่ต่างก็ลุกเข้าไปแล้วไปยังบนนาารรณศาลาของตนของตนก็คือเข้าไปยังกระท่อมกระท่อมกระท่อมหนีเข้ากระท่อมหมดฝนตกแล้ใช่ไหมท่านเก่งนะพระโมคคัลลานะเนี่ยพระเถระก็ยืนอยู่ที่ประตูบรรณาสาลาของอคัคคทธานะไปหาถึงอาจารย์สะดวกหน่อยไหมนเนี้ยโอ้ผ่านไปกี่ด่านยังไม่กว่าจะถึงอาจารย์ได้เนี่ยฝนเนี่ยช่วยได้ เขาก็พราหมณ์คนนี้อคิทัดพราหมณ์ได้ยินเสียงของพระเทระก็กล่าวเอ้นั่นใครเพราะความเป็นผู้กระด้างด้วยมานะว่าในโลกนี้ใครๆชื่อว่าผู้สา ม, มารถเรียกเราออกชื่อไม่มีมาถึงเรียกอคิทัดนี่มาเรียกใครมาใคร ก, กล้าขนาดนี้อย่างนั้นใครเนาะแหละเรียกเราออกชื่อนะ ก, ก็คิดหะก็เลยถามออกไปว่าเออใครมาเรียกเราพระเทระบอกข้าพเจ้าพราหมณ์อคิทัดบอกท่านพูดอะไร พรีร า, าก็บอกว่าท่านจงบอกสถานที่พักอยู่ในที่นี้แก่ข้าพเจ้ า, าสิ้นคืนมันหนึ่งเถอะขอที่พักสักคืนหนึ่งอักขิทัศนก็บอกว่าสถานที่พักอยู่ในที่นี้ไม่มีบารรณศาลาหลังหนึ่งก็สําหรับคนหนึ่งเท่านั้นกระท่อมเต็มอย่นั้นสมัยสํานวนสมัยมันบอกบอกุดเต็มแล้วเป็นการไม่รับผ้ า, าการตุกาง่ายนิดเดียวบอกกุดเต็มพอดีเลยเขาว่างนั้นเพราะฉะนั้นนีมนตท่านไปพักที่อื่นเถอะอย ง, งั้นพระธีร า, าก็บอกว่าอักขิทัศน์ ธรรมดาพวกมนุษย์ย่อมไปสู่สำนักของพวกมนุษย์ใช่ไหมมนุษย์เขาก็ไปพักกับมนุษย์นั่นแหละพวกโคก็ไปสู่สำนักของพวกโคพวกบรรพชิตนักบวชก็ไปสู่สำนักของพวกบรรพชิตท่านอย่าทําอย่างนั้นจงให้ที่พักแก่ข้าพเจ้าแบ่งๆกงงันมักหน่อยเถอะนักบวชจะไปอาศัยใครมันก็ต้องอาศัยนักบวชโดยกันนี่แหละอาคีทัศน์ก็บอกว่าท่านเป็นบนรรพชิตหรือโมคคลานะบอกเออข้าพเจ้าก็เป็นบนรรพชิต ท่านเป็นบนรรพชิตไซส์สิ่งของคือสาแรกบริขารแห่งบรรพชิตของท่านอยู่ที่ไหนนักบวชฤๅษีก็ต้องมีสาแรกใช่หไหมมีบริขารของเขาเครื่องบำรุงบำรเรอไฟพระเถระก็บอกว่าบริขารของข้าพเจ้ามีอยู่ข้าพเจ้าคิดเห็นว่าก็การถือบริขารนั้นเป็นแผนกเที่ยวไปลำบากดังนี้แล้วก็ถือบริขารนั้นเอาไว้ภายในก็เลยเที่ยวไปเก็บไว้ข้างในและก็เลยไม่ต้องถือมันจะได้ไม่เป็นภาระ พราหม์นั้นก็โกรธเอ้ยพูดยังไงว่าคล้ายๆกับพระสมัยนี้มายัางไงบาทก็ไม่เอามาด้วยนะไม่เห็นมีบาทมีย่ามาอะไรตักอันหนึ่งก็เลยโกรธไงก็บอกท่านจะถือบริขาร น, นั้นที่ยวไปหรือพระเถระก็เลยพูดกับพราหมณ์ว่าอคิทัตท่านอย่าโ ก, กรธข้าพเจ้าเอออย่าโ ก, กรธไปเลยอย่าดุนักเนะี่บอกสถานที่พักแกข้าพเจ้าหน่อยเถอะให้พักตรงไห น, นอคิทัศตก็ส่ายหงวงัวบอกไม่มีที่อยู่ในที่นี้ไม่มีทักแห่งเลยอะ พระเทระก็บอกเออนั่นอ่ะบนกองทรายนั่นอ่ะอนุญาตให้ไหมขอบนกองทรายนั่นแหละพราม์ก็บอกว่าในนั้นมีนาคราชอยู่ตัวหนึง่งบอกท่านให้ที่ทานแก่ข้าพาเจ้าโอยข้าพาเจ้าไม่อาจให้ได้กรรมของนาคนาคราชนั้นอ่ะร้ายกาจยิ่งนักอย่างนั้นนาคราชมาอาศัยเนี่ยใครไป็น เ, เร่องเรียกว่าล่วงเกินหน่อยไม่ได้ร้ายมากพระโมคะลานาก็บอกเออช่างเถอะขอท่านจงให้แก่เราเถิดบอกถ้าถ้าอย่างนั้นท่านจงรู้เองเถิดนะ รับผิดชอบตัวเอากันแล้วกันนะแต่นตายได้ดีไม่รับผิดชอบทั้งนั้นเลยพระเทรศก็ผินหน้าไปทางกองทรายนาคราชเห็นพระเระมาก็เลยคิดว่าสมณะนี้มาทางนี้เห็นจะไม่ทราบความที่เรามีอยู่ต้องใสไม่รู้ว่าตรงนี้มีเจ้าที่อย่างั้นเลยก็เราจะบังหวนควนให้สมณะนั้นอะ่ะตายนาคราชนี้คิดจะฆ่าพระบาปเนอะก็เลยบังหวนควอนอนันไป พระเถระก็เลยคิดว่าเอ๊หนาคราชนี้เห็นจะเข้าใจว่าเราเท่านั้นบังหวนควันได้พวกอื่นไม่อาจนะพ่นควันได้คนเดียวเด้อเมังกรพ่นควันมาอย่างนี้แล้วพระเถระก็บังหวนควันแม้เองบ้างเข้ากสินแล้วก็บังหวนควันออกบ้างควันทั้งหลายก็พุ่งออกจากสรีระแห่งหน้าคาราชและพระเถระแม้ทั้งสองฝ่ายตั้งขึ้นจนพ ม, มลุกควันทั้งสองฝ่ายไม่เบียดเบียนพระเถระ เบียบเดเบียงแต่หน้าคราดฝ่ายเดียวเนี่ยเอนาคเนี่ยสำลักเลยนะหายใจไม่ค่อยออกควันมันเยอะจัดหน้าคราดไม่อาจจะทนกําลังแห่งควันได้จึงให้ไฟเนี่ยลุกโผล่ขึ้นมาอกีกทีนี้พ่นควันสู้ไม่ไหวพ่นไฟดีกว่าข้างพระเทระก็เข้าสมาบัติมีเตโชท่าเป็นอารมณ์นะเข้าเตโชกสินปื๊ดอธิษฐานและก็ให้ไฟลุกโผล่พร้อมกับหน้าคราดนั้นเหมือนกันเปลวไฟนี่พุ่งขึ้นไปจนถึงพ ม, ม่าโลก เปลวไฟแม้ทั้งสองฝ่ายก็ไม่เบียดเบียนพระเถระเบียดเบียนแต่นาคราชฝ่ายเดียวครั้งนั้นสริระทั้งสิ้นของนาคนั้นก็เป็นเหมือนกับว่าถูกคบเพลิงทั้งหลายเนี่ยลนทั่วแล้วเหมือนกับใครเนี่ยเอาไฟเนี่ยมาจุดลนทีนี้พวกฤาษีก็ดูแล้วคิดว่านาคราชเผาสมณะสมณะคนดีเนอะไม่เชื่อคําของพวกเราชิบหายแล้วโอ้ยสงสารพระนั่นเนะาะแต่งหน้ารักดีหน้าเอ็นดูอนะ่ะเนาะแหมไม่เชื่อเราดื้อเลยตายเลยเห็นเป่า พระเถระทรมานนาคคราชให้หมดพยศแล้วก็นั่งบนกองทรายฝ่ายนาคราชก็ขนไอ้ก็เอาขนดเนี่ยรวบกองทรายแล้วก็แผ่พังผานประมาณเท่าห้องโถงแห่งเรือนยอดกั้นอยู่เบื้องบนแห่งพระเถระมูรษีก็ไปยังสันักของพระเถระแต่ชาตรูคิดว่าพวกเราจะรู้ความที่สมณะตายแล้วยังไม่ตายชาวไปสอบดูซิตายหรือยังพิกศพดูหน่อยเห็นท่านนั่งอยู่บนยอดกองทรายแล้วก็ประคองอัญชลีชมเชยว่าสมณะนาคคาราชไม่เบียดเบียนท่านเลยหรือ พระเถระทั้งหลายไม่เห็นหน้าคาราชแผ่พังพานดํารงอยู่เบื้องบนแห่งเราหรือนั่นะพระเถระเล่าให้ฟังอั น, นอ้าวไม่เห็นหน้าเลยนั่นไงฤศีเหล่านั้นก็พูดกันว่าหน้าอาัศาจรรย์ท่านผู้เจริญอ น, นุภาพแห่งสมณะชื่อเห็นบานนี้สมณะนี้ทรมานหน้าคาราชได้แล้วก็ยืนล้อมพระเถระอยู่ขณะนั้นพระศาสดาก็เสด็จมาเช้าพระพุทธเจ้าก็มาพระเถระเห็นพระศาสดาแล้วก็ลุกขึ้นถวายบังคม ลำดับนั้นฤาษีทั้งหลายก็พูดกับพระเถระนั้นว่าสัมมนนี้เป็นใหญ่แมก้กว่าท่านหรือหูท่านมีริษขนานี้มีคนใหญ่กว่าท่านอีกเหรืระโมคัลานะก็บอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอ่ะเป็นศาสเป็นภษาสดาข้าพระเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นี้ภาษาสดา ก, ก็ประทับนั่งบนยอดกองทรายและวมูฤาษีก็ประคองอัญเชลีชมเชยภาษาสดาว่าอนุภาพของสาวกถึงเพียงนี้ส่วนอนุภาพของภาษาสดานั้นจักเป็นเช่นไรว่างั้น ภาษาสดาก็เลยเรียกอคิทัดมาแล้วก็ตรัสว่าอาคีตัดเมื่อท่านให้โอวาดแก่สาวกและอุปถากทั้งหลายของท่านท่านย่อมกล่าวว่ายอย่างไรคือสอนเข้าอย่างไรอะรามก็บอกว่าข้าพระ อ, องค์ให้อวาดแก่สาวกและอุปถากภเหล่านั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายจงถึงภูเขานั่นว่าเป็นที่พึ่งจงถึงป่าอารามจนถึงต้นไม้ว่าเป็นที่พึ่ง ด้วยว่าบุคคลถึงวัตถุมีต้นไม้เป็นต้นแล้วเนี่ยมีภูเขาเป็นต้นนั้นว่าเป็นที่พึ่งแล้วจับพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้นับถือต้นไม้ก็พ้นทุกข์ได้นั่นแหละก็คือให้นับถือต้นไม้นับถือป่านับถือภูเขานั่นแหละเป็นสา ร, ระภาษาสดา ต, ตรัสว่าอคิทัศน์บุคคลถึงวัตถุทั้งหลายมีภูเขาเป็นต้นนั่นว่าเป็นที่พึ่งแล้วย่อมไม่พ้นจากทุกข์ได้เลย ส่วนบุคคลถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งย่อมพ้นจากทุกในวัตะทั้งสิ้นได้และพระองค์ก็ตรัสว่าพาหุ้งเวสรนังยันติปัพปะตานิวนานิจจะเป็นต้นนะนะแปลว่ามนุษย์เป็นอันมากถูกภัยคุกคามแล้วย่อมถึงย่อมถึงภูเขาป่าอารามและรุกขเจดีย์ว่าเป็นที่พึ่งนะเพราะมนุษย์ที่ถึงสารา น, านีก็เกิดจาก มีภัยเนี่ยคุกคามภัยนั้นเป็นชื่อของภัยนี่แปลว่าแปลว่าไรภัยภัยมาถึงแล้วคำว่าภัยนะเป็นชื่อของอารมณ์ที่น่ากลัวหนึ่งสองความสะดุ้งกลัวแห่งจิตหมายถึงจิตประเภทโทสะแต่เกิดจากสิ่งนั้นน่ากลัวนภัยเนี่ยแปลว่าความน่ากลัวหรือความกลัวนั่นเองนั้นพอถูกภัยคือความกลัวอย่างนี้คุกคามแล้วบางพวกก็ถึงภูเขา ถึงป่าถึงอารามถึงรุกขเจดีว่าเป็นที่พึ่งบางพวกก็ถึงพระจันทร์บ้างถึงพระอาทิตย์บ้างถึงพระพรหมบ้างว่าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งตามแต่ตามแต่ใครจะคิดได้อ่ะว่าอะไรสมควรจะเป็นที่พึ่งอันนี้ย่าลัทธิหมายความว่าอาธิบายไหมครับว่าสิ่งเหล่านั้นมีอัตตาอยู่ในนั้นใช่ไหมครับเจนพรคือเข้าเป็นเป็นผู้สามารถบันดาลอะไรให้เราได้อ่ะแสดงว่านี่เป็นความเข้าใจเป็ น, ปนคฤษฎีผิด ที่เป็นมิจ า, าทิฏฐิอย่างหนึ่งใช่ไหมครับเจนพเขาจึงเรียกว่าแล่นไปในสิ่งที่ไม่ใช่ท่าก็คือเดรถถัถีติทิยะก็คือไม่ใช่ท่านั่นเองอ่ะเป็นเป็นนอกท่านอกคําสอนของพระผู้มีพระภาคและพระ์ก็ตรัสว่าสารณะนั่นแลไม่กเกษมนะ ไ, ไม่เขมังไม่สูงสุดจริงๆอะ่ะสารณะนั้นไม่อุดมคือไม่สุดยอดเหมือนนั้นเพราะบุคคลอาศัยสารณะนั้นย่อมไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ถึงภูเขาเป็นสารณะพ้นทุกข์ได้ไหม ถึงเจ้าบ่าเจ้าเขาเป็นสารณะอย่างมากก็ถูกหวยะนะเขาอาจจะบอกหวยบ้างฝันเห็นหวยบ้างอะไรบ้างก็ได้เท่านั้นแหละแต่ไม่สามารถที่จะพ้นจากกองทุกได้ส่วนบุคคลใดโยจะพุทธันจะทำมันจะสร้างคัญจะสรนังคาโตว่า ง, งั้นส่วนบุคคลใดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งย่อมเห็นอริยสัจสี่นะพอถึงที่พึ่งคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง ก็รวบรัดเลยจนเห็นอริยสัจเลยมรรคจิตเกิดขึ้นมีนิพพานเป็นอารมณ์เรียกว่าผู้เห็นอริยสัจคือทุกข์ทุกข์กได้แก่พูดถึงทุกข์ได้แก่อะไรอุปาทานขันธ์ห้าเอานะส่วนไหนของกายเราที่ไม่มีวิบากกรรมชรูปนี้ไหมส่วนไหนอ่านะส่วนที่ไม่เป็นกรรมชรูปเลยนะก็คือปลายเล็บที่ยื่นออกมาพ้นแล้วหนังที่ตายไม่ใช่กรรมชรูป เส้นผมที่พ้นออกนอกศรีรษะก็ไม่ใช่กรร ม, มชะรูปแต่เคยเป็นแต่เคยเป็นกรร ม, มชะรูปเพรา ะ, ะส่วนที่เป็นกรร ม, มชะรูปนั่นแหละคืออุปาทานขันเป็นที่อาศัยยึดมั่นถือมั่นนั้นคนตัดผมนะท้ามนยึดมากไม่ให้ตัดหรอกแต่นี่ไม่ถึงกับยึดมากนั่นแหละเพราะฉะนั้นขันเหล่านี้นี่แหละเป็นทุกขอริยสัตว์ที่เป็นทุกขาริยสัต์เพราะอะไร เพราะชาติปิทุกขาเป็นต้นจนถึงถึงอะไรปุ๊บหนึ่งะชาติปิทุกขาสองเราปิทุกขาสามมรณงปิทุกขัง 3. โสกะเศร้าโศกปริเทวะทุกกายทุกใจทุกโทมนัสอุปาญาตคขับแค้นใจแล้วก็ทุกเพราะพลาดพลาดจากของเป็นที่รักหรือทุกเพราะประจวบสิ่งอันไม่เป็นที่รักหรือทุกเพราะ ไม่สมปรารถนา น, นี่ว่าโดยย่อสิ่งเหล่านี้ก็คืออุปาทานขันห้าเพราะฉนั้นพระองค์เนี่ยเป็นผู้มีปกติสั่งสอนสาวกทั้งหลายว่าอย่างไรนะพระผู้มีพระภาคเนี่ยมีโอวาทที่เป็นไปในสาวกทั้งหลายเนี่ยเป็นส่วนมากสอนเยอะจริงๆเลยโอวาทของพระองค์สอนว่าอย่างไรพุทธิยถาสอนอะไรมากที่สุดอ๋อนะโอวาทที่พระผู้มีพระภาคทรงเป็นไปในสาวกทั้งหลายว่า ขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละไอกองทุกก็คือสิ่งเหล่านี้แล้วพระองค์ก็ยังจำแนกเพื่อให้สาวกปริญญารอบรู้ในสิ่งเหล่านี้รูปังอันิจจังขึ้นตีรณะณปริญญาเลยนะนะเวทนาอานิจจาสัญญาอานิจจาสังขาราอานิจจาวิญญาณังอนิจจัง รูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขาราอนัตตาวิญญาณังอนัตตาสัพเพสังขาราอนัตตาสัพเพธรรมาอนัตตาติอันโอว่าที่พระผู้มีพระภาคทรงเป็นไปในสาวกโดยมากเป็นอย่างนี้นั่นแหละเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอุปาทานคันเมื่อเป็นอุปาทานคันนั้นน่ะจะต้องเข้าไป กิจของอุปาทานอาคารที่ชอบก็คือปริญญาญากิจนั่นแหละปริญญาญากริดปริญญามี3ระดับแหละอาญาตะปริญญาอะไรเอายองอธิบายให้ฟังหนึ่งตัวอย่างนึงอนะรู ป, ปูปาทานอาคารเวทนูสัญญาสังขารวิญญาณนอะเอาซักญาตะปริญญาเอาอะไรดีถึงรู ป, ปูปาทานอาคารคือรูปใช่ไหมรูปเอาวันนะรูปขึ้นมาคือรูปทั้งหมดมี อานะรูปที่ควรแก่การพิจารณาทั้งหมดมี18รูปเรียกว่านิพพานรูปหรือสัมมสนรูปในรูปเหล่านี้ยกตัวอย่างหนึ่งรูปคือวั น, นรูปหรือรูปารม์สีในสีนีเมื่อกี้กล่าวถึงสีที่มีผู้การบอกเอาผิวหน้าเลยน ะ, ะนะผิวหน้าค่าที่เป็นจริงของเขาก็คือรูปารม์นะโดยโดยโอารมณ์แล้วเขาเป็นแค่รูปารมนะตัวสี ในสีที่เป็นรูปารมณ์นั้นมีปัจจัยให้เกิดนั่นแหละปัจจัยให้เขาเกิดนั้นะ่ะกรรมเป็นเหมือนกับพ่อที่ทำให้รูปารมณนี้เกิดแล้วแม่แม่ที่ทำให้รูปารมณ์นี้เกิดคืออวิชชาตัญหาและอุปาทานสามตัวนี้เป็นเหมือนกับแม่ที่ให้รูปารมณ์นี้มีขึ้นแล้วมีอะไรเป็นที่เลี้ยงคอยดูแลอุปถากรักษามีอาหารด้วย มีอุตุด้วยมีจิตด้วยนะฉะนั้นสีหน้าเกิดการเปลี่ยนแปลงก็เป็นไปตามอำนาจของจิตในนนะเอากรรมไงกรรมคือพ่อไงที่ให้เกิด น, ะนั่นแหละฉะนั้นกรรมเหมือนกับพ่ออวิชาตัญหาก็เหมือนกับแม่และก็อาหารอาหารชรูปจิตตชรูปที่เกิดร่วมในนั้นก็เป็นเหมือนกับพี่เลี้ยงที่คอยดูแลเมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นลักษณะนี้ถามว่า สิ่งเหล่านี้มีคุณไหมที่เรียกว่าคุณนี่หมายความว่ามีอัสาธาธะไหมอ่า น, นะอาศัยผิวหน้าเมกกี้บอกผิวหน้านะทําให้เกิดสุขและโสมนัตินี่เรียกว่าคุณของคุณของรูปคุณของผิวคุณของวันรูปคืออาศัยผิวหน้าปั๊บส่องกระจกะยิ้ม น, น้อยยิ้มใหญ่ลักษณะนี้เรียกว่าคุณของเขาแนหะอาศัยสิ่งนี้ทําให้เกิดสุขโสมนัตถามว่าสิ่งเหล่านี้มีโทษไหมโทษของสิ่งนี้คือ มีหนึ่งนะอันนี้จะโตมีแล้วก็คือครั้งที่แล้วเนี่ยเมื่อสมัยอายุก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีสภาพแบบแบบนี้เลยนะผิวหน้าไม่ได้เป็นแบบนี้เลยแต่ตอนนี้ก็ไม่เหมือนเดิมแล้วและถามว่าอีกสิบปีข้างหน้าจะเป็นเหมือนอย่างนี้ไหมั้นอันนี้จะโตทุกขะโตถามว่าผิวเนี่ยทุกข์ไหมตัวมันเองก็เป็นตัวทุกข์ด้วยเป็นที่ตั้งแห่ง ทุกข์ด้วยใครไม่เคยเป็นสิวก่แล้วไปนั่นแหละตัวเขาเองเป็นตัวทุกข์เละเจนทรเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ด้วยเจนทรนแล้วก็เป็นที่อาศัยเกิดแห่งทุกข์กายะวิญญาณด้วยแล้วก็ในหน้าเนี่ยนะมีโรคไหมโรคาโตโรคทางผิวหนังเนี่ยมีกี่ชนิดเนี่ยนะฉั้นพิจารณาเป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศร น, นี่คือโทษของสิ่งเหล่านี้ถามว่าในหน้าเนี่ยมีอะไรเป็นเหตุเกิด เมื่อกี้อะไรเป็นเหตุเกิดบอกหนึ่งนะเหตุให้เกิดอันนี้ก็คือถ้ารูปปะขันเหตุให้เกิดหนึ่งเพราะอวิชชาเกิดรูปนี้จึงเกิดเพราะตัณหาเกิดรูปจึงเกิดเพราะกรรมเกิดรูปจึงเกิดเพราะอาหารเกิดรูปจึงเกิดและตัวนิพพติลักษณะของรูปอันนี้ที่เกิดขึ้นถามว่ารูปอันนี้เสื่อมพี่ว่าเกิดดับใช่ไหมทํำไมรูปเหล่านี้จึงเสื่อมเพราะอวิชชาไม่มีเพราะปัจจัยเสื่อม รูปจึงเสื่อมปัจจัยที่ทําให้รูปเสื่อมหนึ่งเพราะอาวิชชาให้มีรูปนั้นก็ไม่มีเพราะตันหาไม่มีรูปนั้นก็ไม่มีเพราะกรรมไม่มีรูปก็ไม่ ม, ม, มีเพราะอาหารหมดไปรูปก็เปลี่ยนแปลงนะก็หมดไปแล้วก็ตัวความเสื่อมสิ้นสลายไปของรูปเองเพราะว่าธรรมารูปก็คือธรรมชาติที่เสื่อมสิ้นสลายไปแต่เสื่อมแต่เกิดขึ้นเพราะปัจจัยทําให้ เมื่อเกิดถ้าหมดปัดจจัยที่จะทาให้เกิดก็เสื่อมไปเพราะหมดปัจจัยรูปนั้นก็ถึงความเสื่อมไปเพราะฉะนั้นพระองค์นั้นสอนให้สาวกกำหนดรอบรู้ในสิ่งเหล่านี้เองรูปังอานิจจังรูปไม่เที่ยงเพราะมีแล้วก็ไม่มีจากเมื่อก่อนไม่ได้เป็นอย่างนี้มาเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ก็ไม่นานถามว่ารูปนี้เป็นกลามเป็นที่ตั้งแห่งความยินดี เมื่อเป็นกามพระ อ, องค์ตรัสว่ากามทั้งหลายเหมือนความฝันฝันว่าสมัยหนึ่งเคยเป็นนางสาวงามงๆงงงตอนนี้ก็เหลือแต่ความฝันอย่างเดียวฝันเอาทั้งนั้น